อันนี้จะสัญญานี้มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ในวิปาาัสนาญาณที่เรียกว่าสัมมสนาญาณอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในพังขยานแต่ถ้าขึ้นโครงสร้างลักษณะนี้อยู่ในสัมมสนาญาณเดินะอยู่ในกลุ่มสัมมสนาญาณก่อนที่จะพิจารณารูปสังขารรูปสังขารเนี่ยต้องพิจารณาความความรอบรู้พวกนี้ต้องดี เขาไม่ได้มองในแง่ว่าอันนี้เกิดดับมองในแง่ปัจจัยเนี่ยนะอันน่ะมองในแง่ว่าธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นการประชุมของปัจจัยอาศัยเนี่ยปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นแม้ในอดีตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้อนาคตสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะการตามใครครวนนะตามใคร่ครวนอ่ะ เห็นจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าตามไข้ครวญอย่างนั้นอ่ะจนเพียงพอนะ่ยนะอันนี้เป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าเบื้องต้นของรูปสัตกะและอรูปสัตกะนี่ก็เริ่มมารูปสัตอ่ารูปสัตกะก็ขึ้นในหนึ่งหมวดนั่งแกเริ่มจุติเริ่มเกิดจนถึงตายใช่ไหมไม่เที่ยงเนี่ยนะสิ่งใดไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์พราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนี่ยนะก็แบ่งชีวิตตามวัยเนี่ยนะ แบ่งชีวิตทุกๆสิบปีเนี่ยนะแบ่งชีวิตทุกห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเนี่ยอย่างที่กล่าวไปเมื่อวานนั่นแหละก็จะมาขึ้นกลุ่มนั้นการไครครวนแบบนั้นเนี่ยก็คือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่ยังไม่เข้าประเด็นที่จะพูดนี้ที่ที่อันนี้จากสัญญาที่พระ อ, องค์ชมเหลือเกินเนี่ยนะยังยังไม่เข้าขหัวข้ออันนั้น ทีนี้ปกติผู้ที่ใครครวนพิจารณาแบบนี้มากๆเนี่ยนะเริ่มพิจารณาถึงความเกิดขึ้นและความความเกิดโดยอาการ25และความดับโดยอาการ25เรนี่ยนะทวนย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25เท่ากับเกิดดับโดยอาการ50เนี่ยผู้ที่รอบรู้อย่างเนี่ยจะ นึงนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาจะไม่สงสัยเลยทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมเนี่ยนะอนุโลมหมายถึงสมุทัยวาระปฏิโลมคือนิโรธวาระไม่ไม่ได้รู้สึกว่าสงสัยในส่วนนั้นเลยสองในแง่สัจจะไม่แปลกใจเลยว่าทุกทั้งมวลเหล่านี้ล้วนแต่ตันหาเนในก่อนเนี่ยเป็นปัจจัยถ้าดับตันหาได้ไอ้ทุกอันนี้มันต้องดับแน่นะในในแง่ของสัจจะทั้งที่เป็นโลกยะสัจจะเนี่ยนะเข้าใจเป็นอย่างดี นี่ต่อไปเนี่ยเอกละได้ทั้งอุเฉททิฐิและสัสตตทิฐิเห็นไหมก็พอ ร, รู้ความเกิดละอุเฉททิฐิถ้ารู้ความเสื่อมไปก็ละสัสตตทิฏฐิถ้าปัจจัยดับปจัจ ย, ยุบันก็ต้องดับเพราะนั้นละสัสตตทิฐิ ท, ทีนี้ผู้ที่จะตามดับเอขอข้ไป ผู้ที่รู้รอบรู้แบบนี้โดยปกติแล้วจะต้องมีวิปัสสนูปกเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเช่นปีติและปราโมทเนี่ยนะบางพวกนี้ปีติมากบางพวกนี้ปราโมทมากบางพวกปัญญาเกิดมากบางพวกสติเหมือนกับว่าเกิดมากาพวกนี้แหละที่เจริญเจริญไปก็นึกว่าตัวเองได้บรรลุซึ่งจริงๆแล้วยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยเนี่ยนะ เรียกว่าธรรมะใช้คำว่าวิป so, ัสสนูปกิเลสคือคือเป็นผลของการเจริญวิปัสสนานะกิเลสก็มาสำคัญว่าไอตัวที่ที่เกิดขึ้นนั้นว่าตัวเองได้บรรลุมรรคผลซึ่งจริงๆไม่ใช่อ่นะเขาก็อระหว่างนี้กิเลตก็ยังมัวหมองเออเขาบอกว่าวิปัสสนาที่ไข้ครวนี้ก็ยังมัวหมองยังไม่มีความชัดเจนทีนี้ ผู้ที่เจริญอย่างนี้ก็ไม่ใส่ใจถึงความเกิดเพราะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ปัจจัยที่ทำให้เกิดของขัน5ในการ3มันก็ต้องอาศัยปัจจัยอย่างนี้อยู่แล้วก็ใส่ใจที่ความไม่เที่ยงเนี่ยนะคือความหมดไปเช่นถ้าพิจารณารูปเนี่ยนะถ้าสิ้นอาหารรูปก็สิ้นนะนะคือคือไม่ไม่ไม่ได้ใส่ใจในแง่ความเกิดละมาให้ความสาคัญในในความเสื่อมอย่างเดียวนะถ้ารูป นะถ้ารูปนะถ้าอวิชชาตันหกรรมสิ้นไปรูปอันนี้ก็สิ้นไปถ้าอาหารสิ้นไปรูปอันนี้ก็สิ้นไปเนี่นะเวทนาเนี่ยถ้าอวิชชาตันหกรรมสิ้นไปผัสสะสิ้นไปเวทนาอันนี้ก็สิ้นไปเนี่ยนะถ้าสัญญาสังขารและสัญญาสังขารถ้าอวิชชาตันหกรรมเนี่ยสิ้นไปผัสสะสิ้นไปสัญญาสังขารก็ก็สิ้นไปเหมือนกัน แล้วถ้าวิญญาณเนี่ยนะถ้านามรูปสิ้นไปวิญญาณก็สิ้นไปเรียกว่าเริ่มพิจารณาปัจัยกับปัจยุบันที่ปัจัยอันนั้นหมดอันนี้ก็หมดอันนั้นหมดอันนี้ก็หมดอันนั้นหมดอันนี้ก็หมดอย่างเงี้ยนะไคร่ครวนอย่างนี้มากขึ้นทีนี้พอใคร่ครวนอย่างนี้เก็ไม่สดไม่เอาปัจจัยละตามเห็นแต่ความไม่ไม่มั่นคงของของขันห้าอันนั้นเลยว่ามันก็ไม่เที่ยงนี่แหละ รูปไม่ว่ามันจะเกิดจากสมุทฐานไหนก็ช่างเถอะมันมีความสิ้นไปทุกๆสมุทฐานนั่นแหละมาใสา่ใจที่ความสิ้นไปเนี่ย น, ยนยของรูปทั้งหมดนั้นมาใสา่ใจถึงความสิ้นไปของเวทนาที่มันเวทนาที่มันมันไม่ได้มีความมั่นคงเนี่ยนะที่ไม่ได้มีความถาวรของแต่ละเวทนาแล้วก็พิจารณาถึงความไม่จีรังของสัญส ญ, ญาของแต่ละสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณแต่ละสัวิญ ญ, ญาณเนี่ยนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าตามเห็นแต่ความ สิ้นไปอันนี้แหละเป็นอันนี้จะสัญญาที่เริ่มจะกล่าวไปเนี่ยนะมันผู้ที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแบบนี้นะว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงอันนี้จะจะไม่เหมือนกับไม่เที่ยงตอนนี้นะไม่เที่ยงตอนแรกๆที่ว่ารูปสัตวกะรูปสัตต์กะนี่คนละชั้นกันเลยอันนี้นี่โหประณีตกว่ากันถ้าเป็นนักเรียนก็คนละห้องเลยว่างั้นเหร คนณภาพวิชาเลยนะเพราะว่าอันนี้พวกนี้ความลึกซึ้งสูงมากแต่ว่าบางคนเขาอาจจะสามารถเจริญได้เนี่ยนะถ้าเป็นใครลอกหัวหอมนะค่อยลอกอน่ะนีก็คือคนละกรีบกันละอันนี้มันกรีบที่มันละเอียดไปกว่า น, นั้นอีกเยอะแล้วก็ตามเห็นถึงความสิ้นไปนะเสื่อมไปของเช่นจักสุของรูปของจักขคู่วิญญาณผัสสะเวทนาโดยที่คนที่รู้ความเสื่อมสิ้นเหล่านี้รอบรู้ปัปจจัยของ ของการเกิดด้วยรอบรู้ปัจจัยของความดับด้วยว่าจะดับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยด้วยยังไงแต่ตามเห็นเหล่านี้เป็นของสิ้นไปเนี่ยอันนี้จะมีความรอบรู้มากใช่ไหมรอบรู้กว่าเอ๊ะตาไม่เที่ยงเฉยเฉยเนี่ยนะซึ่งไม่ได้บางทีก็แทบไม่รู้อะไรแล้วก็ตามเห็นถึงความสิ้นไปความเสื่อมไปเพราะว่าถ้ามองในแง่วิชาสติตินะคนนี้เก็บสติติในทวารทั้ง6ทวานนี่มามาจนบริบูรณ์เนี่ยนะ กว่ามีข้อมูลในความหลากหลายของวัตถุอย่างหนึ่งมีข้อมูลในความหลากหลายของอารมณ์แล้วก็รอบรู้ปัจจัยของวัตถุและอารมณ์เป็นอย่างดีรอบรู้ปัจจัยของภาษะแต่และภาษะอย่างดีแล้วก็รอบรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างมากเพร voilà <ul ain. S 2> าะพว่นี้จะเป็นกลุ่มปหาหน้ปริญญานะอย่างอันนี้จะสัญญาที่กล่าวไปเมื่อกี้เป็นกลุ่มปหาหน้ปริญญา ไม่ใช่ตีรณปริญญาเพระฉั้นยาตะปริญญ า, า, ะะ า, ต, ญญาตีรณปริญญานี้ถือว่าชํานาญพ่อคูณแล้เนี่ยนะคือธรรมะไม่มีอะไรขันห้าก็ขันห้าวันยังค่ำแหละจะปฏิบัติตั้งแต่ปุตุชนขึ้นมาเพื่อจะเป็นพระโสดาบาันก็พิจารณาขันห้าเป็นพระอนาคามีแล้วจะปฏิบัติให้เป็นพระอาหารหันตก็ขันห้าอยู่ดีเนี่ยนะ เหมือนเรียนอักษรศาสตร์นะปหนึ่งก็ก็กอไก่จะจบปริญญาเอกก็ใช้ใช้กอไก่เรียนไหมยในกลุ่มไหน เอาเสวเอาเอางี้นะเอาไว้ก่อนแสดงว่าคุณตามเรื่องไม่ทันเอาคาถามที่ว่าไว้เอาไว้ก่อนเลยผู้ที่ตามเห็นถึงความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะในแง่เนี่ยเมื่อรอบรู้ปัจจัยจะเห็นความไม่มีขอไปความสิ้นไปของสิ่งเนี่ยนะพวกนี้จะเริ่มเห็นเป็นภัยแล้วเนี่ยเกิดการไข่ครวนถึงขันห้าทุกขันเนี่ยมีภัยรอบด้าน เช่นขันอันนี้ก็มีภัยใช่ไหขันในอดีต ท, ทั้งหมดมันก็มีภัยอย่างนี้เหมือนกันขันในอนาคตต่อไปมันก็มีมีภัยคือความเสียหายแบบนี้เหมือนกันพบสามกเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจดสัตตาวาสเก้ามีภัยรอบด้านภาษาอีกสำนวนหนึ่งก็บอกแหมไฟเนี่ยลุกท่วมโลกหมดเลยนะโลกิยะไม่มีไม่มีส่วนไหนที่ไฟไม่ลุกท่วมเนี่ยนะก็เห็นความน่ากลัวของ สิ่งนั้นเพราะเมื่ออานิจจาสัญญาที่บุคคลเจริญให้มากก็จะยังทุกขสัญญาให้มากขึ้นเดี๋ยนะความเป็นภยัยความเป็นสิ่งที่น่ากลัวเอ่อถ้าให้ตรงศับในพวกที่อานิจจาสัญญาก็คือกลุ่มพังขยานทุกขสัญญาก็คือพยายานนะก็กลุ่มพยายานก็จะเห็นความเป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ยนะเป็นโทษก็คือภาษาธรรมะเรียกว่า อารนวยานใช่ไหมโทษอะอารนวยานนิพิทาก็เบื่อหน่ายเนี่ยนะควรแก่การเบื่อหน่ายทีนี้ไอ้ระหว่างเมื่อเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเขาจะมองในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเกิดการเทียบเคียงขึ้นในระหว่างถ้าดับสิ่งเหล่านี้สิ้นเนี่ยนะจะมีความสุขถ้ายังอยู่กับสิ่งนี้เป็นทุกข์ะนะก็จะไถ่ครวญสองอย่างเนี่ยมากผู้ที่ไถ่ครวญในแง่ว่า ทั้งขันทั้งมวลนี้เป็นทุกการเกิดขึ้นของขันห้านี้เป็นทุกอันนี้เรียกว่าอนะาทนวยาณถ้าขันห้าไม่เกิดขึ้นเป็นเป็นสุขเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่าสันติบทยาณเขาจะแยกสองตัวเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเห็นโทษของอุปาทานขันห้าเห็นคุณของการสงบจากขันห้าเนี่ยนะก็จะเริ่มแยกแล้วตามเห็นภัยของขันห้าจิตเนี่ยมุ่งน้อมที่จะสละขันห้าละ จิตก็น้อมสละขันห้าผั่ะผู้ที่เจริญอันนี้จะสัญญาก็คือตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงซึ่งเป็นของที่มีภัยเนี่ยนะเป็นของที่ไม่ปลอดภัยในภพสามกำเนิด4คติ5ฉาอันถ้าเจริญตามนี้จริงก็อั น, นิสงส์ก็จะได้อย่างที่พระองค์ตรัสว่าจะละกามราคะรูปราคะอ่าภวะราคะละและอวิชชาเนี่ยนะถอนอสมิมานะในอุปาทานขันทั้งหมด เพราะว่าผู้ที่เจริญแบบนั้นเนี่ยถ้าอินทรีแก่กล้าประชุมโพธชงประชุมมักได้ก็สามารถตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะก็สามารถตรัสรู้แล้วก็ข้ามจากวัตตะได้ <c oughs> ส่วนผู้ที่ต้องการรายละเอียดว่าการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมีสองชั้นชั้นที่หนึ่งคืออยู่ในกลุ่มสัมมาสนญาา กลมที่สองตั้งแต่พังขยานเป็นต้นเนีย่ยนะที่กำลังพูดคือกล่มพังขยานเป็นต้นไปคือพอถ้าใช้สัายานเหล่านี้นะไอความรู้อันนี้ถือว่าโอ้รู้กันอยู่แล้วอุปมาเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงการจบสมมติว่าจบจบสมมติว่าจบระดับโน้นระดับนี้มาแล้วนะไอตัวเนื้อหาวิชาในนั้นก็แทบไม่ต้องพูดแล้วใช่มนะก็ถือว่าได้แล้วโดย เหมือนก็สอบได้ใบขับขี่มาแล้วนะเรื่องจอดรถถอยรถนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วว่างั้นธรรมดาลกะก็เข้าใจและครับ <c oughs> <c oughs> นะคือ เข้าใจว่าไม่ได้ทําตีรณนะปริญญาอานะันนี้คือรูปแสดงว่าเมื่อคืนนี้พูดเรื่องรูปสัตวกะให้เข้าใจไม่ดีนึกถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าพูดหนึ่งครั้งสองครั้งสาครั้งนะแล้วก็พูดหนึ่งครั้งคนฟังเอาไปทําตามไม่ได้เป็นความผิดของคนพูด ครั้งที่สองถ้าพูดแล้วคนฟังยังเอาไปทำตามไม่ได้เป็นความผิดของคนพูดเหมือนกันครั้งที่สามเหนขอนกันคลายแล้วกันนี้นนนทำไมเนะี่ยเกลุ่มการพิจารณารูปสัตกะเนี่ยนะ ที่เป็นตีระปริญญาเนี่ยคือพิจารณารูปสัตวกะข้อที่หนึ่งอ่ะก่อนที่จะเข้าถึงรูปสัตว์กะนี่เาจะแบ่งอย่างงี้ก่อนว่าอดีตชาติอนาคตชาติปัจจุบันชาติเนี่ยอดีตชาติก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาใช่ไมไม่เที่ยงเพราะานะเอาอัดเขาด้วยนะไม่เที่ยงอดีตชาตินะไม่เที่ยงเพราะหมดไปแล้วสิ้นไปเป็นทุกเพราะ น่ากลัวเป็นอนาตาเพราะไม่มีสาระอนาตาเก็บกระดูกแมอดีตชาติกองเอาไว้ถามว่ามันมน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวเอาไหมแต่แต่ไปต้องสมมตินะเก็บกระดูกของเราไว้เนี่ยเท่ากับเขาเวปุระบันพศเนี่ยแล้วไปอยู่กับกระดูกนะแค่กระดูกของเรากลับเดียวเนี่ยเอาไหมไม่เอาแล้วนะอันนี้นจริงน่ากลัวงงแล้วก็มีสาระแก่นสารอยู่ในนั้นไหมไม่มีถ้าจะเกิดอีกข้างหน้าอันนะอนาคตชาติต่อไป ก็ไม่เที่ยงเป็นซุกเป็นอนัตตานี่นะไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเหมือนกันปัจจุบันชาตินี้แหละที่กาลังอยู่เนี่ยไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเอ่อไข้ครวนแบบนี้ดีจะเริ่มเข้ารูปสัตกะข้อแรกก่อนอันนี้ยังไม่ได้เข้านะอันนี้เป็นถือว่าเป็นบาตรข้อที่หนึ่งพิจารณาเกิดกับตาเอาเอาชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึง ตายเกิดก็เกิดมาแล้วรู้ตัวใช่ไหมตายก็เมื่อวานถามว่าไม่รู้เวลาตายใช่ไหมแต่รู้ว่าต้องตายตายแน่แล้วมีใครบ้างที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีนี่ย น, นะยังไงเกิดแล้วต้องตายทั้งนั้นแหะทัานก็พิจารณาถึงว่าชีวิตในการตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยนะท่น ตั้งแต่เกิดก็ไม่ถึงตายเพราะไอความเกิดก็หมดตั้งแต่ความเกิดแล้วตายมันก็ไม่เคลื่อนไปชาติหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สิ้นไปในตอนนั้นนั้นไม่เที่ยงเพราะสิน้นไปชีวิตทั้งทั้งหมดนี้ก็เป็นเป็นของที่น่ากลัวน่ากลัวยังไงนะแหมกว่าจะเลี้ยงเติบโตมาได้ขนาดนี้ก็นับว่าเหนื่อยแทบแย่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ตายหนีจากไปอีกแล้วเหมือนกับว่ากว่าจะแกะไอ้ก้อนน้าแข็งขนาดนี้ได้ลวดลายขนาดนี้นะพอแดดมาละลายหมดอย่างนี้ ก็ไม่ได้มีความเหลืออะไรเลยไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์น่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนะอันนี้คือพิจารณาชีวิตทั้งหมดเลยีนส่วนข้อ2จะมีรายละเอียดเพิ่มคือพิจารณาตามวัยยังไงตามวัยก็แบ่งเป็นซอยอีกนั่นนะคือตามวัยเนี่ยข้อแรกก่อนนะแบ่งเป็น3ามวัย ก็คิดว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่กี่ปีก็ว่าไปตามนั้นนะเขาบอกว่าเอาเอาชีวิตของโดยมากในยุคนั้นเป็นเป็นเกณฑ์ก่อนเช่นยุคนี้ควรจะไม่เกินเท่าไหร่7จ็ดาโอ้เกินมีเกินตั้งเยอะอ๋อสัก8ปดิดนะอ๋อเฉลียนะ่ย7จ้านะสักแปหรือ90นี่แหละเพางั้นเขบอกว่าวัยที่1ก็ไม่ถึงวัยที่สองวัยที่2ก็ไม่ถึงวัยที่3เรียกแบ่งชีวิต ทุกแบ่งชีวิตเป็นสามวัยเนี่ยนะถ้าบอกว่าเอ๊ะก็บางคนบอกว่าชั้นยังเด็กอยู่จะมาพิจารณาอย่างนี้พอหรือหรือมันจะเห็นได้ยังไงก็บอกว่าตัวอย่างในโลกนี้มีให้เห็นถมเถไปนะสมมุติถ้าเราอายุสมมติถ้าต่อปฐ ม, มวัยมันก็เหมือนกับเด็กๆคนอื่นนั่นแหละมัชชิมะวัยมันก็เหมือนกับคนทั่วไปถ้าแก่จะต่างอะไรจากคนอื่นอ่ะนะถ้าตายมันก็เหมือนๆกันหมดนั่นแหละ ท่านก็พิจารณาถึงแต่ละวัยเนี่ยนะชีวิตของแต่ละวัยเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้พิจารณาตามทุกสิบปีเนี่ยนะสิบปีที่หนึ่งไม่ถึงสิบปีที่สองสิบปีที่สองก็ไม่ถึงสิบปีที่สามสิบปีแรกเ้าเรียกวัยอะไรนะวัยเด็กนะสปีที่สองเรียกวัย วัยรุ่น10ปีที่3ก็เรียกวัยทำงานเลยก็เรียกไปตามนั้นแหละนั้นแต่ละวัยแต่ละวัยก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาทั้งนั้นนะทุก10ปีอันนี้ก็แบ่งทุกๆ5ปีเนี่ยนะทุกๆ4ปี2ปีเนี่ยนะปีทุกๆุกเดือน ไล่มาเรื่อยๆจะพิจารณาชีวิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยทุกๆ4เดือนทุกๆสองเดือนหรือทุกๆเจวันนะนะเอาวาทุกๆข้างขึ้นข้างแรมแม้แตลอดถึงทุกๆวันหรือทุกๆเนี่ยเช้าสายบ่ายค่าเย็นเนี่ยทุกๆยามเหมือนกันเถอะปฐมยามมัชชิมยามปัจฉิมยามก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหมดทีนี้ถ้าละเอียดมากเพิ่มไปกว่านั้นก็ทุกๆขาไปขามาใช่ไหม ไปก็ไปที่ยงังไม่ถึงขาตอนกลับตอนกลับก็ก็สิ้นไปเนี่ยนะไม่ถึงขามาทุกลมหายใจเข้าออกมันลึกซึ้งเกินไปอมั้งถ้ามันทําได้ก็ดีปัญหาเข้ค่อยๆบอกตามลําดับแล้วก็ไม่ค่อยทําตามนี่มันยุ่ง <c oughs> ทำไมนะคือถ้าพิจารณาจนถึงไปกลับมาทีนี้ถ้าลงละเอียดขึ้นขณะที่ไปนี่ยังไงองค์ประกอบของการไปนะในแต่ละหนึ่งเก้าก็ยบ แล้วก็ย่างแล้วก็ย้ายย่อนเหยียบยันมันก็ถือว่าขณะที่ยกก็ไม่ถึงย่างขณะที่ย่างก็ไม่ถึงย้ายขณะที่ย้ายก็ไม่ถึงย่อนขณะที่ย่อนก็ไม่ถึงเหยียบขณะที่เหยียบก็ไม่ถึงยันเพราะฉะนั้นขณะที่ยกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเพราะหน้ากลัวเป็นไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะหน้ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระขณะที่ย้ายไปก็ไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะหน้ากลัวเป็น อนานะตาเพราะไม่มีสาระอย่าลืมว่าไม่ใช่อยู่ๆขึ้นมายกอ่นนะยกย่างย้ายย่อนเหยียบยันมาถึงก็เอาอันนี้ขึ้นมาเลยไม่ใช่เขาพูดอย่างอื่นมาละเอียดแล้วเนี่ยนะนะพูดอย่างอื่นมามากแล้วอย่างอื่นเขารอบรู้มาเยอะแล้วจึงมาพิจารณาในส่วนนี้กันะนะชีวิตในทุกๆวัยทุกอะไรเนี่ยนะพิจารณามาเยอะแล้วมันก็มาจบที่ข้อที่สองนะมาจบอ่าขอไปมาจบที่ยก ย, ย, ย่างย้ายย่อนเหยียบยันที่จะนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นธานะตาทีนี้ข้อที่สามอาหารชรูปเข้อที่สามนะอาหารชรูปอาหารนี้หนึ่งมื้อให้เวลาได้เท่าไหร่เมืงออยู่กี่ชั่วโมงเมื่อวานพุกการธนัตบอกหกชั่วโมงว่างั้นเนะอ่ย่อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะนะต้องต้องทานอีกแน่ถ้าไม่ได้ทานนี่หิวแล้วนะหกชั่วโมงว่างั้นเถอะ เพราะฉะนั้นแต่ละมืออยู่หชั่วโมงว่าหนึ่งมือก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็วิธีพิจารณาว่าไอตอนอดกับตอนอิ่มมันแตกต่างกัน้ยตอนหิวก็บอกว่าตอนหิวนี่คุยงานกันดีไหมปรึกษางานกันตอนหิวเนี่ยไม่ได้เรื่องนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าสีหน้าก็เริ่มจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนั้นมันก็ตอนอิ่มกับตอนอดมันก็ไม่เหมือนกันนะตอนหิวกับตอนอิ่มอันนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะเพราะไอตอนหิวก็ไม่ถึงอดไออดก็ไม่ถึง อิ่มนีนะทีนี้ผู้ที่พิจารณาเนี่ยแต่ละมือ้อแต่ละมื้อมันก็ตั้งอยู่ได้เท่านั้นแหละนะถ้าจะลงรายละเอียดขนาดว่าแต่ละแต่ละหนึ่งชนิดนะเช่นอาหารนี่รวมถึงยาด้วยใช่ไหมอาหารคือตัวยาบางอย่างเช่นแก้ปวดมันอยู่ได้กี่ชั่วโมงอ่ะนะถ้ามีรายละเอียดแต่ฉาบถึงขนาดนั้นก็ก็ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะแต่ถ้าไม่ไม่รู้ก็รู้ว่าอิ่มกับหิวเนี่ยว่ามันสิ้นไปเสื่อมไปเนี่ยนะก็พิจารณาให้มาก รู้ไม่มากแต่พิจารณาให้มากก็ใช้ได้แล้วพิจารณากับไม่ชารูปใช่รับไม่ใช่พิจารณาเอาก็กาลังบอกว่าพิจารณาอาหารชรูปอยู่อันนี้คือพิจารณาอาหารชรูปอาหารชรูปไปหล่อเลี้ยงอะไรครับคือคือปัญหาผมยังนึกงงว่าไอความรู้เบสิกมันรู้มันหายไปไหนหมด เพราะว่าในในหนึ่งในในร่างกายของเรานะครับมันต้องสมุดฐานสี่อยู่แล้วเนี่ยนะคือคือถือเป็นเรื่องธรรมนาใช่ไหมในในร่างกายเนี่ยพันเวลายกเนี่ยมันต้องสมมุติว่ายกมือขึ้นมันต้องทั้งกรรมชรูปจิตตชรูปอุตูชรูปอาหารชรูปแต่ว่าพูดในฐานะจิตตชรูปแล้วก็ถามว่ากรรมมชรูปอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยทีนี้ต่อไปจิตตชรูปเนี่ยนะอันนี้กําลังพูดรูปทั้งหมดอยู่เลยนะ ตัวจิตตชรูปก็คืออะไรบ้างคู่เข้าหรือเหยียดออกเป็นต้นเนี่ยหรือพูดอีกในหนึ่งก็ว่าไปตามเวทนาถ้าถ้าทำตีระปริญญาในสีหน้านะก็เอาโสมนัสเวทนากับเอาอุเบกขาเวทนานเนี่ยเป็นเครื่องวัดก็ได้ตอนโสมนัสก็ไม่ถึงนะนะสีหน้าที่เกิดตอนโสมนัสอย่างหนึ่งสีหน้าที่เกิดตอน โทมนัสก็อีกอย่างหนึ่งตอนอุเบกขาก็อย่างหนึ่งก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปคือเน้นพิจารณาตัวจิตตชรูปเนี่ยนะจิตเท่าไหร่ที่เป็นปัจจัยแก่ตัวตัวรูปเหล่านั้นอันนี้ความรู้อันนี้ถือว่าดีอยู่แล้ ว, ว ย, ยกเป็นตัวอย่างยกเวเพราะเวทนามันหยาบ ก, กว่าเพื่อนนะในบรรนานามนทาทมทั้งหมดนเ น, นี่ยเวทนาันี่ยหยาบกว่าเพื่อนเนี่ยนะทีนี้ข้อต่อไปคืออย่างที่ ถ่าก็อุตุาีตอนเย็นกับตอนร้อนเนี่ยนะตอนที่ความเย็นเกิดขึ้นรูปเป็นยังไงตอนที่ความร้อนเกิดขึ้นเป็นยังไงอยู่ในแดดเป็นยังไงอยู่ในร่มเป็นยังไงเนี่ยนะตอนที่เหงื่อออกเป็นยังไงตอนที่หนาวเป็นยังไงก็พิจารณาถึงแต่ละขร้วนั้นะ <s> ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างที่กล่าวไปอันนี้อุตุชรุบนี่ข้อต่อไปข้อที่6กเนี่ยนะก็กรรมมชร การมาช่รูปก็ว่าไปตามถวาวรเช่นขณะที่เห็นก็ไม่ถึงขณะได้ยินใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอตอนเห็นรูปที่เกิดตอนเห็นก็เสื่อมไปสิ้นไปเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็พอสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนะตอนได้ยินอีกก็ไม่ถึงตอนรู้กลิ่นนะตอนที่รู้กลิ่นก็ไม่ถึงรู้รสตัวให้รู้รสก็ไม่ถึงรู้กระทบโพธาภะหรือไอรู้กระทบโพธาภะก็ไม่ถึงหัตถะที่เป็นที่อาศัยเกิดของ ความคิดเนี่ยนะก็พิจารณาถึงความสิ้นไปเสื่อมไปของวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะของตาหูจหมูกลิ้นแต่และก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปสิ้นไปเสื่อมไปเนี่ยนะตามทวารทั้ง6อันนี้คือตัวพิจารณาตัวกรรมมชรูปอันนี้ได้ได้หกเลยนะส่วนข้อ7จดเนี่ยนะเรียกว่าธรรมตารูปธรรมดารูปธรรมดารูปก็พวกนี้ก็เริ่มพิจารณาเช่น เอาแบบใครที่เพาะปลูกต้นไม้ก็เริ่มเริ่มตั้งแต่เพาะเมล็ดเลยก็ได้มันค่อยๆแตกไปยังไงยังไงเรื่อยๆจนต้นไม้เจริญเติบโตแล้วก็เสื่อมจนต้นต้นไม้มันผุมันพังมันเปื่อยมันเสียไปเนี่ยนะก็แต่ละช่วงแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันนะในคัมพี์ท่านก็ยกใบอโศกเป็นขึ้นมาเป็นตัวอย่างเช่นตอนที่มันแตกปุ่มเรื่อยๆมันค่อยๆงอกออกมาขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยแตกมาเป็น อะไรยอดเล็กๆจากยอดมาเป็นใบใหญ่ขึ้นจากใบก็ใบธรรมดานี่นะอ่อนก็มาเป็นใบแก่ขึ้นใบแก่ขึ้นก็มาเป็นใบเหลืองเหลืองก็หลังจากนั้นก็ร่วงหล่นก็เริ่มพิจารณานั้นอันนี้ยกตัวอย่างใบอโศกอย่างอื่นก็เหมือนกันถ้าข้าวกล้าข้าวกล้าตั้งแต่เอาไปหวานเอาไปหวานแล้วก็มาเป็นตัวกล้ากล้าแล้วไปปักปักแล้วไปดำดำแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นจนออกเป็นกอม มาเป็นรวงเนี่ยนะมาเป็นรวงข้าวจะได้เก็บเกี่ยวก็หมุนเวียนก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของแต่ละตอนแต่ละตอนของไปของของข้าวหรือของต้นไม้ใบหญ้าหรือถ้ามีความรู้เรื่องตึกเรื่องอาคารทั้งหลายก็พิจารณาว่าบ้านหลังนี้ควรจะอยู่ได้กี่ปีเนี่ยนะมันก็เปลี่ยนเสียไหาหๆไปตามนั้นไปนะถนนเส้นนี้อยู่ได้กี่ปีเนี่ยนะจะต้องซ่อมต้องบำรุงก็เพป็นความ เสียหายอันนี้เรียกว่าพิจารณาธรรมดารูปอันะเพื่อสำหรับคนที่ไปติดข้องในธรรมดารูปเนี่ยนะก็เอาเอ า, เอาพวกนี้มาพิจารณาแต่ทีนี้ธรรมดารูปนี้บางคนก็ไม่ได้ไปติดใจอะไรมากับพวกธรรมดารูปมากนักใช่ไหมเพราะพื้นฐานคนที่สนใจธรรมดารูปมากๆกก็ไม่ค่อยมาสนใจธรรมะอยู่แล้วนะ เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ธรรมดารูปมันมีอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะั้นหมกมุ่นกับพวกกลุ่มนั้นก็จะไม่ได้มาพิจารณาธรรมะเท่าไหร่ทีนี้เมื่อมีความาทำปริญญาแบบนี้มากมากขึ้นอันนี้ก็ตามเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาละถ้าทั้งหมดที่เรียกว่ารูปสัตกะหมวดเจแห่งแห่งรูปเนี่ยนะหมวด7แห่งรูป พระพุทธเจ้าคืนสุดท้ายยังต้องทำอย่างนี้เลยนะก่อนที่จะบรรลุธรรมนะอ่านในในข้อปฏิบัติที่ที่จะทาให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีการพิจารณารูปสัตตกะแต่การพิจารณาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีสังขารไหนที่ไม่เอามามาพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาทุกแง่มุมของทุกเหล่าสัตว์เนี่ยำเนินว่าพิจารณาเป็นจักรวาลเหมือนกันะเป็นหมื่นจักรวาล แต่ถ้าเป็นของสาวกทั่วไปก็จะลดลดลดลดลง ล, ลงมาแต่ว่าในบรรดารูปทั้งหมดเหล่านี้นถ้าว่าให้ย่อนเนี่ยรูปทั้งหมดเนี่ยคืออะไรมหาภูตะ ร, รูปทั้งนั้นใช่เมื่อเป็นมหาภูต ร, รูปวันนี้ดูมาท่านบอกว่าพระอรหันต์บางรูปรู้มหาภูตเป็นเอกเทศเนี่ยนะหมายคือว่าไม่ได้สิ้นเชิงทั้งหมดใช่ เช่นกรรมไม่รูปก็ไม่ใช่ว่าไปรู้ภายในภายนอกรู้ทั้งหมดสิ้นเชิงไม่ใช่ก็รู้ได้ในบางบางส่วนพอที่จะละกิเลสได้นี่นะเพราะนั่นอย่างคําถามที่คุณถามก็คือเนี่ยพิจารณาธรรมดารูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้ถ้าพิจารณาไออารูปสัตตกะเป็นยังไงอารูปสัตตกะก็คือจิตที่ไปพิจารณาเช่นตั้งแต่เกิดไปถึงตายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยความคิดหนึ่ง พิจารณาไอ้ความคิดอันนั้นด้วยจิตนั้นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอ น, นัตตาแล้วจิตที่พิจารณาจิตนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็ไล่มาอย่างนี้จนเจข้อแล้วก็พิจารณาความคิดซ้าๆกันเ น, นี่ยท่านบอกว่าสักสิชั้นเนี่ยนะยกตัวอย่างว่าความคิดพิจารณาถึงรูปเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาด้วยจิตดวงหนึ่งจิตอีกดวงหนึ่งก็พิจารณาจิตดวงนั้นว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วพิจารณาความคิดอันนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะก็พิจารณาอย่างเงี้ยวนรอบอย่างงี้ทั้งหมดเลยนะประมาณสักสิบชั้นแบบนั้นเถอะทีนี้เมื่อพิจารณาแบบนี้ดีเนี่ยนะก็มาสายใจถึงว่าไอ้ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการประชุมของปัใจจัยใช่ไหมก็มาสายใจถึงเหตุเกิดและความดับของ ธรรมะทั้งหมดเหล่านี้ซึ่งก่แตกต่างจากการกำหนดปัจจัยธรรมด า, าการกำหนดปัจจัยธรรมดาทั่วๆไปนั้ น, นเพื่อละทิฏฐิที่เรียกว่าอเหตุุกะทิฏฐิวิสมะทิฏฐิเนี่ยนะแต่การพิจารณาปัจจัยในตอนหลังที่เรียกว่าเหตุเกิดโดยอาการ25้นั้ น, นมันต่อจากการพิจารณารูปสติกะรูปสติกะมาเป็นอย่างดีแล้วก็มาใสา่ใจถึงเหตุเกิดและ เหตุเกิดของขันทั้งโดยอาการ25แล้วก็ไข้ครวญถึงความเสื่อมไปโดยอาการ25นะ่สิบห้าเมื่อรู้เหตุเกิดแล้วก็ความเสื่อมโดยอาการ25นะ่สิบแต่ละอย่าง25ดีก็ไม่พิจารณาในแง่ความเกิดมาเหลือแต่พิจารณาในแง่ความเสื่อมทีนี้ในแง่ความเสื่อมนี้ก็ไม่พิจารณาตัวปัจจัยที่ทําให้เสื่อมพิจารณาแต่ตัวปัจจยุบันที่เสื่อม ก็ตามเห็นปัจจยุบันคือขันห้าเหล่านั้นไม่เที่ยง น, นะเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนนะัตตาไอาการตามเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงไอตอนหลังเนี่ยที่เหลือแต่ปัจจุบันอย่างเดียวอันนั้นแหละเป็นพังขยามตั้งแต่นั้นอะ่ะเขาจึงเรียกว่าปหานะปริญญาเพราะจะละนิจจะสัญญาได้เห็นไหม